2. ลักษณะที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่จะบวช 2.1 ด, ดมีลักษณะเป็นต๊ดเป็นกระเทยเป็นอีแอบ 2. 2. ติดยาเสพติดหลบนีคดีมีความผิดทางกฎหมายเป็นโรคเอดเป็นโรคประสาทปั๊มปั๊มเปอร์เปอร์หรือเป็นโรคที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง จะเป็นเหตุนำภาระมาให้ผู้ที่อยู่ทางวัดไม่เป็นอันได้ภาวนากัน